ปีศาจแพลงฤทธิ์วันนั้นข้าพเจ้าขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วอย่างปกติธรรมดาแต่เมื่อถึงตอนเลี้ยวโค้งแห่งหนึ่งซึ่งในขณะนั้นรถแล่นด้วยความเร็วชั่วโมงละประมาณ60สหไมล์ ยางล้อขวาข้างหน้าก็เกิดแตกโดยปัจจุบันทันด่วน ท, ท, ทั้งๆที่ยางเส้นนี้มีอายุยังไม่ถึงสัปดาห์เสียด้วยซ้ำต่อมาพอถึงเส้นทางสายที่สในนิวเจอร์ซีย์เครื่องยนต์ก็เริ่มแสดงอาการขัดข้องอีกข้าพเจ้าต้องหยุดรถลงไปเปิดฝาครอบออกดูก็ปรากฏว่าสายไฟสองเส้นหลุดออกจากหัวเทียนต้องจัดแจงต่อกันใหม่อีก วันนั้นข้าพเจ้ากลับถึงบ้านได้โดยปลอดภัยแต่ก็คลุกคลักพอดูประมาณหนึ่งเดือนต่อมาข้าพเจ้ากลับมาบ้านในตอนดึกก็ได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อยกหูฟังก็ได้ยินเสียงคารพูดกระหืดกระหอบมาตามสายว่าเพื่อเห็นข้าพเจ้าคุณปลดมาเร็วเร็วหน่อยเถอะเรากาลังจะบ้ากันแล้ว เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเรื่องร้ายแรงตามกันมาเรื่อยๆสุนัขตัวโปรดของเราก็ตายแล้วมาทากำลังนอนแบบอยู่บนเตียงหมอบอกว่าต้องพาตัดแล้วผมเองก็ปวดหลังเลอะเกินนอนไม่หลับมานานแล้วเนี่ยผมรู้ดีว่าไม่มีโรคอะไรอย่างแท้จริงหรอกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากนางปีศาจร้ายเกสเชนนั่นเองคุณโปรดมาช่วยเราหน่อยเถอะข้าพเจ้าได้พูดปลอบใจเขาไปว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะไปแน่ คืนนี้คุณต้องพยายามอยู่ใกล้มาทาตลอดเวลาและเอาพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มใหญ่มาเปิดออกวางไว้ใกล้ๆเตียงนอนก่อนหมยเหตุผู้แปลเพราะเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ฝรั่งเชื่อว่าผีฝรั่งกลัวต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้ตั้งใจเรียกวิญญาณเกรซเชนให้มาหาข้าพเจ้าไม่ช้าดวงหน้าเกรซเชนก็มาปรากฏใหเห็นข้าพเจ้าได้กล่าวว่า นี่เธอหยุดเรื่องชั่วร้ายแบบนี้สักทีได้ไหมคืนนี้ให้เขานอนหลับกันอย่างผาสุกทีเธอปรากฏว่าวิญญาณเกรสเชนจ้องมองข้าพเจ้าอย่างเกลียดชังเธอยิ้มแยะและแล้วก็เลือนหายไปรุ่งเช้าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงก็พบสองสามีภรรยานั่งกอดกันกลมอยู่ที่หน้าเตาผิง ซึ่งในตอนนั้นไฟกําลังมอดจนจะดับอยู่แล้วข้าพเจ้าจึงเอาฟืนใส่เข้าไปและเป่าไฟให้ลุกขึ้นโดยยังไม่ได้ถามว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนพอไฟติดก็ปรากฏว่าเศษไม้ชิ้นหนึ่งกระเด็นออกมาจากดุนฟืนมันลอยตรงมาที่หัวของมาทาและเกิดระเบิดขึ้นที่เหนือศีรษะเล็กน้อยปรากฏเสียงเหมือนกับปืนเล็กยาวชะนั้น แต่ก็เคราะดีที่มาทาไม่ได้รับอันตรายต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สามีภรรยาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงเหตุการณ์วันที่แล้วมาตอนเช้าในขณะที่สองคนนั่งรถออกไปจากบ้านด้วยกันพวงมาลัยรถเกิดหลุดทำให้บังคับรถไม่อยู่ ในที่สุดรถของคนทั้งสองก็ถล่าลงไปในคูแต่เคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอันตรายอีกวันนั้นทั้งสองต้องเดินกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าสุนัขของเขามีอาการผิดปกติคือแย่เคี้ยวคำรามและเที่ยวไล่งับลมอยู่ตลอดเวลาสองคนได้พาสุนัขไปหาสัตวแพทย์ก็ปรากฏว่าได้รับคำแนะนำอย่างไม่มีเยื่อใยว่าควรทาให้หลับเสีย คือหมายความว่าให้ฆ่าโดยฉีดยาให้หลับไปเลยคำแนะนำเช่นนี้แสดงถึงความหลงผิดอย่างร้ายกาจของศัตวแพทย์อย่างไม่น่าให้อภัยเลยทีเดียวเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าสุนัขและแมวมีประสาทพิเศษสามารถรู้และเห็นวิญญาณของปีศาจ ท, ที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้ต่อมามาทาต้องถูกนาตัวไปหาแพทย์ เนื่องจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่ในแพทย์ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบจึงยังไม่ทำการผ่าตัดให้ทีเดียวส่วนอาการปวดท้องของคานก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่หนักอกของข้าพเจ้าในขณะนี้ก็คือจะต้องพยายามหาสิ่งที่เป็นสื่อทางวัตถุซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกนี้กับโลกของวิญญาณทาให้เกรซเชน สามารถมาแสดงปรากฏการในโลกนี้ได้เรื่อยเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมามีหลักทั่วไปอยู่ว่าการที่วิญญาณจะสามารถมาแสดงปรากฏการได้เช่นนี้จะต้องมีสื่อทางวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะต้องมีของบางสิ่งบางอย่างซึ่งปีศาจนั้นหวงแหนและถือว่าเป็นของตนและทำให้เกิดความห่วงใ่จึงทาให้เป็นสื่อหรือสายสัมพันธ์ผูกติดอยู่กับโลกนี้ตลอดไป พระเจ้าด้วยซอกซอนค้นหาอยู่ทั่วบ้านเป็นเวลาสี่วันเต็มๆก็ยังหาไม่พบสิ่งใดที่คิดว่าเป็นของส่วนตัวของเกรซเชนซึ่งจะเป็นสื่อทำให้วิญญาณของเธอมาวนเวียนอยู่ได้พอตกเย็นวันศุกร์ก็เกิดเรื่องใหญ่อีกคราวนี้เกรซเชนอาลวาดหนักข้อขึ้นคืออยู่ดีๆจานเป็นจำนวนมากซึ่งอยู่ในถาดในครัว ก็ตกลงมาแต่กระจายกับพื้นห้องโดยไม่มีเหตุผลต่อมาเครื่องยนต์ตู้เย็นก็ไม่ทำงานข้าพเจ้าลองสำรวจดูก็พบสายไฟขาดอยู่สายหนึ่งก็เลยรีบต่อสายเสียเพราะกลัวว่าช้าไปอาหารจะบูดเสียหมดในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังปล้ำจะเปิดประตูตู้นั่นเองก็พอดีเอานิ้วไปเกี่ยวขอบที่คมเข้า ทำให้ที่นิ้วมีเลือดไหลออกมาหน่อยหนึ่งข้าพเจ้าจึงต้องรีบดูดเลือดของตัวเองเอาไว้ก่อนเพราะในตอนนั้นยังไม่สามารถจะหาผ้าพันแผลได้ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้ปีศาจของเกรซเชนแอบมาดูดเลือดและเอาพลังจากร่างกายของข้าพเจ้าออกไปเป็นกำลังของมันแทนอันนี้เป็นความเชื่อของฝรั่งเช่นนั้น อีกครั้งหนึ่งเมื่อคานกำลังจะนำรถเข้าโรงเก็บก็ปรากฏว่าเร่งเครื่องไม่ติดหลังจากเปิดฝาครอบก็ปรากฏว่าสายไฟได้หลุดออกจากหัวเทียนหมดทุกสายโดยไม่เหลือเลยอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้าลงบันไดก็รู้สึกว่าถูกผลักอย่างแรงจนกระทั่งเกือบจะหัวทิ่มลงไปตามขั้นบันไดซึ่งถ้าเป็นจริง ก็คงจะต้องได้รับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยทีเดียวและในขณะต่อมาขณะเมื่อคารนกำลังจะปิดฝาครอบหน้ารถนั่นเองนิ้วของมาทาก็ยังค้างอยู่ข้างในเคราะดีที่ข้าพเจ้ารีบกระชากแขนของเธอออกมาเสียทันมิเช่นนั้นก็คงจะต้องเกิดเรื่องบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออกกันอีก กลับในระหว่างทางเกิดมีฝนตกฟ้าขนองอย่างขนานใหญ่ลมพายุพัดปั่นป่วนกันโชคมาอย่างรุนแรงทําให้เก้าอี้ซึ่งตั้งไว้ในสนามหญ้าถูกลมพายุพัดปลิวว่อนไปทั่วบริเวณและพอเข้าไปในบ้านก็ปรากฏว่าไฟดับลงอีกข้าพเจ้าจึงคว้าไฟฉายได้กระบอกหนึ่งจากในรถแล้วรีบเข้าไปหาตะเกียงน้ํามันมาจุดแก้ขัดไปพลางๆโดยปล่อยให้คานกับมาทาสองสามีภรรยา นั่งกอดกันตัวสันเทาอยู่ในห้องรับแขกจนกระทั่งถึงเวลานอนคืนนั้นไฟก็ยังไม่มีเราจึงบอกให้มาทาไปนอนก่อนส่วนข้าพเจ้ากับคานนั่งจิบบ ร, รันดีกันอยู่ที่หน้าเตาผิงข้าพเจ้าได้กล่าวกับคานว่ า, น, านี่นะคารนผมอยากให้คุณเล่าเรื่องเดิมที่เกี่ยวกับเกรซเชนให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่ง เผื่อว่าผมจะได้ข้อมูลที่เป็นเงื่อนงมอะไรบ้างพอจะเป็นทางคลำไปหาสื่อทางวัตถุ ข, ของเรื่องนี้ได้ขอโทษเนะถ้ามันจะทำให้คุณต้องรำคาญใจแต่มันก็จำเป็นจริงๆอะ่ะคานได้เริ่มต้นเล่าเรื่องเดิมของเขาและเกรซเชนให้ฟังมาอีกครั้งหนึ่งโดยได้เอ่ยถึงเหตุการณ์แปลกย่อยอีกหลายประการซึ่งเขาไม่ได้เล่าไว้ในครั้งก่อนน้ำเสียงในการเล่าครั้งนี้ของเขา เต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างรุนแรงจนข้าพระเจ้าประหลาดใจระยะมจริงๆเขาพูดเสียงคำรามบ้าบาดซบอย่างไร้กาศคุณดูสิผมผู้เป็นสามีกลับมาได้รับการทรมานอย่างน่าละอายเช่นนี้จากภรรยาของผมเองมันดูคล้ายๆกับว่าผมไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรตัวหนึ่งที่คิดถึงแต่เรื่องการสืบพันธุ์อย่างเดียวเท่านั้นบาดซบสิ้นดีเลย เราทั้งสองก็ได้ยินเสียงดังสนั่นมาจากห้องของมาทาและต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงเธอร้องกรีดดังลั่นด้วยความตกใจกลัวเราผุดลุกขึ้นพร้อมกันและวิ่งทลาไปยังห้องของมาทาทันทีและก็ไปทันเวลาได้เห็นภาพอันน่าตกใจก่อนที่จะเกิดเสียงโครมใหญ่เป็นครั้งที่สอง <c oughs> ภาพที่เราเห็นในห้องกรอบรูปอันใหญ่โตซึ่งเป็นรูปเทพบุตรคิวปิดกับเทพธิดาไซคีหล่นลงมาค้างอยู่ที่หัวเตียง ลาดศีรษะของมาทาไปเพียงนิดเดียวจริงๆขณะที่เราเข้าไปถึงมันยั ง, งโงนเงยนอยู่บนหัวเตียงนั้นทําท่าคล้ายๆกับว่าจะโขกหัวของมาธาอีกเป็นครั้งที่สองให้ได้ครั้นแล้วมันก็หล่นลงไปบนพื้นห้องเสียงดังอีกโครมหนึ่งในขณะที่มันหล่นลงจากเตียงไปแล้วนั้น มันยังเหวี่ยงตัวเองไปฝ้าโต๊ะข้างเตียงนอนเข้าทำให้แจากาันดอกไม้ <l ain> บนโต๊ะหล่นลงมาแตกละเอียดไปด้วยพอถึงตอนนี้มาทาก็มีอาการหวาดกลัวถึงขนาดคลุ้มคลั่งเลยทีเดียวค้าพเจ้าบอกให้คารนไปปลอบมาทาก่อน ส่วนตนเองได้ไปพิจารณาขอที่เกี่ยวรูปอันใหญ่โตนั้นอย่างพินิษพิเคราะห์แต่ก็ปรากฏว่าขอสำหรับเกี่ยวแขวนรูปนั้นยังตรึงแน่นอยู่กับฝาผนังโดยไม่มีรอยขยื่นหรือชำรุดแต่ประการใดเลยรูปนี้เป็นรูปที่ใหญ่โตเอาการคือมีขนาดกว้างถึงสฟุตและสูงสี่ฟุตและยังแถมมีกรอบไม้ซึ่งมีลวดลายแผ่นนาปึกอยู่โดยรอบอีกด้วยข้าพระเจ้ากะ ว, ว่า คงจะหนักเกือบร้อยปอนทีเดียวมาทาชะตายังไม่ถึงค่าจริงๆรรัฐภาพนั้นตกลงมาโดนศีรษะเข้าอย่างน้อยก็คงจะต้องบาดเจ็บสาหัสเป็นแน่ข้าพเจ้าเก็บกวาดเสร็จกระจกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นำรูปนั้นไปวางไว้ที่เฉลียงต่อจากนั้นนำพระคัมภีร์ไบเบิลมาวางแบะไว้ที่บนโต๊ะในคืนนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลย เช้าวันรุ่งขึ้นขานกับข้าพเจ้าได้ช่วยกันพิจารณาดูภาพเขียนอันมหึมนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยกล้องจุลทรรศเราได้เห็นจุดหลายจุดเป็นดวงดวงเปะอยู่บนภาพนั้นเราได้ใช้น้ำยาเบนซิดรินซัดดูก็ได้เขาว่ารอยดวงเหล่านั้นคือรอยเลือดเก่าๆ เ, เราได้ขูดรอยเลือดนั้นมาพิสูจน์ดูด้วยน้ายารินเจอร์อีกครั้งหนึ่ง ก็ได้ผลปรากฏว่าเป็นรอยเลือดคนแน่นอนเมื่อสอบปากคำของคานเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่เกรซเชนยิงตัวตายก็ทำให้แน่ใจว่านี่เองคือรอยเลือดของเกรซเชนซึ่งกระเซน็นสาดไปทั่วห้องในขณะที่เธอยิงตัวตายและส่วนหนึ่งของเลือดเหล่านั้นได้กระเซน็นมาถูกรูปนี้เข้าโดยแต่เดิมมาก็ไม่ได้มีใครสังเกตเห็นเลยเป็นอันว่า เราได้พบห่วงสัมพันธ์ทางวัตถุที่ได้พยายามค้นหามาแน่แล้วเนื่องจากเลือดเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวัตถุที่รุนแรงมากประการหนึ่งวิญญาณของเกรซเชนจึงติดอยู่กับรอยเลือดที่รูปนี้ซึ่งไม่มีใครได้ชำระล้างออกไปเลยและเกรซเชนก็ได้อาศัยรอยเลือดเหล่านี้เองเป็นสื่อระหว่างโลกของวิญญาณกับโลกมนุษย์ได้ตลอดมา ในขณะที่รับประทานอาหารเช้าวันนั้นคานได้บอกกับมาธาว่าเลือดของเกรซเชนติดกลางอยู่ที่ภาพนั้นแน่แล้วดังนั้นเราจะต้องกําจัดภาพนี้ซสให้พ้นๆไปแต่มันมีราคามากนะคะมาธาท้วงด้วยความเสียดายมันเป็นภาพต้นเขาที่แท้จริงซะด้วยสิช่างมันเถอดเธอคานตัดบทถึงยังไงเราก็เก็บภาพนี้ไว้ไม่ได้แนะ่แต่มาธายัางยืนยันต้องการจะเก็บภาพนั้นไว้ให้ได้ ซึ่งก็คงจะเกิดจากอำนาจโดนใจของเกรดเชนนั่นเองผลก็คือทั้งสองทะเลาะ ก, กันอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเป็นอันว่าวันนั้นทั้งวันสามีและภรรยาเกิดเรื่องขัดใจกันตลอดเวลาซึ่งทำให้ข้าพเจ้าพลอยวุ่นวายและลุ่มใจตามไปด้วย